ต่งบวชหลวงพ่อเรมนเจ้าไหนไม่ยันยั่ไม่เยี่ยมลูกหลานมาเยี่ยมลูกหลานจพามาสระกับแพาให้พ่อแม่ผู้เนตายตอนแรกนี่องกาสิให้ดวงตาไปถอนไปเองแต่ว่าค้งพวกเป็นอย่างมั้นค่ะ เนไปแล้วเป็นบ่ค่ะโดยเหตุนัมื่อบ้านจะละก็แล้วก็สาธุใส้ใจแคบเดียวก็ถึงัวจะสาธุค่ะแม้แต่เหตุใถึงสาธุค่ะไม่บุญไหนก็แลกบุญตัโอ้สาธุค่อยบุญจากติพี่น้องถึงนีถเราคอยบุญหรือคอยบุญน้ำพระนพระนี้บุญนพระก็มบุญกไ่ได้ง่ายลค่อยอีก่สาธุค่ะ ใครเป็นเด็กผู้ชายคนนึงฮะฮะน้องชายคืแต่เนี่ยนี่น้องชายอ่ะน้องชายคือกันเนะเดี๋ยวนี้นครพนมจ้ะ เจง้ามเมนนุ่มลกพตัวแย่ยิู่กพ่อเกิดถูกพัดเป็นุมแล้วมันจะว่าเกิดเป็นพระด้เกิดปิวันคำเท่าสายาบ้านคำเาคำเท่าด้านไปพัดพัดเป็นม เนื้อเขาก็ะเดเมือวันน่ะวันหละชื่อวันจันนูด้วยมากว่าใหาจย์ไปเว่ยเจรมั่นนี่มาสั่นคนได้เบกบมึก็เลยทรอาหารหนูดีใจว่าสั่นว่าฟ้อาจารย์านปนสุดอดมากนีจก็เบาะนะใจยิ่งจ่อยแบบเจรมั่นนี่ ไนมลงก้มลงก้มลงก้มลงก้มลงเงแบบายเก่งทุกขับก่อนทุกรับด้วยทุกรับด้วยลูกยืมขาบืมขาเก่งไหมอย่างนี้นะเก่งนิดหนึ่งก็คงแท้ต่อราวดีกว่าเนื้องศิษย์สอนเยเจ้าค่ะ กิ่งสบาล้าค่ะข้าวเนีเป็นบ้เป็นค่ะมาข้าวเนียวโพดค่ะเน่หรอโพดจะนะไรเจ๋อเนี่ยอ๋อยังไม่ตันเลยยังไม่ตันเลยยังไม่ตันๆลยยังไม่ตันเลย น้ S <S <preach ers> <Không> ่องยิ้มลหน่อยอาจารย์บอกให้ยิ้มลหน่อยที่เจมอง่ยเลลูกอย่าตามมาค่ะคีกเจอยุก่ทุกตอการเื่ขอบคุณค้าก่อนขอบขอบคคลัค่ะยังไม่มองเห็น ปเจอกดีจ้าสวัดีค่ะหลายเลยแม่ข้าโรงเรียนปอแม่ว่าจะเล่นแวดมาหนาวแต่แต่เย็นจความรักนาวนาวนหนาวหาง้ราพร้อมกันเียมกันใชคาธุาธุาธุสาธุาา อิมินาสกาเนะธมอภิปชยามะอิมินาสกาเนะธมอภิปชยามะอิมินาสกาเนะอภิปชยามะอหังสมมาสัมุทโธะคะวุังปะคะวังตังอภิวาทิ สวัสดิโตพะคาวาตธรมโมธรรมังนามสานิสุบัิปันโนพะควาโตสาวกะสังโฆสังังนามาินมันามตัสะะควาโตอรหโตสมสัมุตะนมตัสะะควโตอรห สมมาสัมปุท n สั a นัโมทัสสัภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทสาสุทินังุทนังเมธาังเมธาังธานามธานามธังธังาาาาัังัังมมัเาัเา ยินดีให้ทานของทานของทานจากผวกข้าพระเจ้าจากผู้ค้าพระเจ้าได้มาแล้วได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับจงรักของทานของทานจากผู้พวค้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของพวกเจ้าทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วที่ร่วงลับไปแล้วมีพิยามันดามีบิยามดาผู้ญาตยสามีเชื่ออะไรอมนิอามิตาสิงห์พันธ์เดชครับสามีภรรยาสามีภรรยาในนามว่าในนามว่าอม ธรรมะนินเดสิงห์พันดค่ะสิงห์พันเด่สิงห์ว่าตามสิงห์รมะนินดะนินสิงห์พันเดสิงห์พันดจงสับซ่ จงรับทราบบุญกุศลบุญกุศลจักว่าข้าพเจ้าจากว่ข้าพเจ้าที่อุทิศให้แล้วนั้นที่อุทิศให้แล้วนั้นแล้วจงไปสู่สุคติและวจงไปสู่สุคติสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาตลอดทางเจ้ากรรมนายเวนตลอดทางเจ้ากรรมนายเวนจอจงรับทราบจอจงรับทราบด้วยยานวิถีด้วยยานวิถีรับบุญกุศลรับบุญกุศลผัว ข้าพเจ้าที่อุทิศให้แล้วนั้นไปสู่สุขติสมดังความปรารถนาตลอดทั้งข้าพเจ้าก็จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขใจสุขใจสุขใสุขใจหมายจากทุกโศกรกไปหมายจากทุกโศกรกไปกางานการเงินงใดการงานการเงินสิ่งใดปันาสิ่งหนึ่งอันใดปนาสิ่งงอันใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปันาสมดังความปนาจงทุกปรานเธอจงกานเธอ ัำทานอันดับต่อไปทำบุญหลงกูมาพาทำบุญนั่งตัวตรงๆใต้บางบนตับหัวซับใต้หลบาเบาๆเอาไปดูลมเข้าลงออกเอาพระบอกพแสงสรณจะดูมีด t เทชัน for one minute put your your hand on your lap Close your eyes, uh, observing your breath. Breathing in, knowing. Breathing out, knowing. Close your eyes for one minute. Meditation. ควจะเวลาแล้วยกมือใส่หัวกล้วฟังพูดสูดฟังไม่ได้พูดให้เชื่อไม่ได้พูดให้ทาตามยูชอตว่าเดอะบูดาทิชชิ่งาบคว่าทาบุญคืออาหารใจ The word uh, is food for your mind. ในตัวของเรามีกายกับมีใจ And yourself consists of two parts. One is your physical body, and one is your mind. ฐานร่างกายม่เ่เกิดแล้วแก่เ็บตาย Your physical body is not permanent. It's aging, illness, and died. พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีวงับไปแล้วเอาอะไ <laughs> รไปด้วย You r a n parents, your husband already passed away. What they can take with them? ผมเส้นหนึ่งก็ออกไปด้วยไปได้ไม่ได้ที่เป็น one piece of hair they cannot take with them หาอยู่หากินหาทุกวันนี้หามาเรื่องร่างกาย what did you do for a living try to find money just to take care your body เรื่องเท่าไหร่รักษาเท่าไหรก็เท่าเหมือนเดิมก็แก่เหมือนเดิมก็เก็บเหมือนเดิมก็ตายเหมือนเดิม as much as you put on your body but it still uh, aging illness and die คนเรามันหลงร่างกายว่าตัวปูตัวปู You're obsessed with your body that is to you. If it's true, it's true to of yourself. Why it's gonna die? Why you cannot stop it? But you actually your yourself is your mind. Understand? In the d we have body and mind. m i n s n t e r f c t not p e r f e c not e r f e c t t you cannot see, cannot see, cannot s e t So your mind is never die. Why you not look after your mind, take care your mind, train your mind, or develop your mind? Your mind before you was born, intend into this world just to make merit and to study Lord Buddha teaching. But when you attached with your body, you obsessed with your body. y สังขารร่างกายพระอหาเวเปัญจขันธาขันห้าก้อ น, นมันเป็นภาระนักห <Yeah. S 2> นักหรือเบาถามใจของเราดูสิ you forget your own mind because your physical body is a heavy burden มาจากเมืองไทยก็มาหาของร่ํารวยร่ํารวยวก็มาหาของแต่งตัวผมทําไมช่วทําไมแล็ปทําไมจมูกทําไมเนื่อหนังมังสังทําไมฟันทําไม Your mind is attached to a uh, wealthy and beauty, and you try to modify yourself, modify your physical body. m m a t e a i kon n la? Khong n khong khong bo, khong n a So obsessed with your body, but your body is rot, is fake, is not permanent. Khong cai thi say saoat. Tham ai mai du lo? Your mind, your your mind inside. Why you not look after your mind? Tham ai mai a n g Tham ai mai a sa? Why you not look after your mind and take care your mind? ทำไมไม่พาทำบุญใจอยากมาทำบุญทำไมไม่พาทำ Why well, do not make m a r r i e d by doing meditation เพราะไม่มีใครบอกเพราะไม่มีพระบอก Usually m hm o n o t tell you to do meditation พระก็มีแต่อบอกคำทานไม่บอกทำบุญผลคือไถยโยมก็หลงพระก็หลง Most monks hm tell you to do generosity or donation ไม่ใช่หลวงพ่าทำในพระนะพระประเสศไทยวิจีรูปวัดกจีรลบโยมมาอะไรเจ้าค่ายมมาะรโยมมาสวายทั้งสานเจ้าข้า เชิญจตุตูติยนเชิญตวายสังฆทานเชิญตรวจน้ำโยมนั่นหรือทําบุญ most of them just tell you to light lighting incense lighting candle give the flower and donation stuff to the temple นั่นเาบอกเพราะคนก็ได้ก็ร้งกันด้วยกันนั่นแหละรงทั้งพระร้งทั้งโยม they didn't h e y didn't tell you to do meditation บอกทําบุญอาหารใจบอกให้ทําอาหารใจเข้าวัดทําบุญอาหารใจให้ But when you go to the temple, you should uh, look after your mind by doing meditation. The food for your mind. s o y So you will regret when you pass away if you didn't do meditation. s o So meditation will lead you to the, the heaven. นางกมัติพาวนาทําให้เรามองเห็นขนทางไปเป็นมนุษย์ันไปเมันสวันร์ขนทางไปเมืองพันิพาล so the, me, the more you do meditation will lead you, um, you have a clear thinking which right or wrong that leads you to heaven ง่ายๆแต่คนไม่ดู it's quite easy why you're not doing it แล้วแต่เกิดมาเคยดูไหมรมหายใจก็ออก since you was born have you ever done meditation before? look after your mind นี่ขันใบหนึ่งนี่ขันใบหนึ่งขันใบนี้เอาใส่ของเรี่องร่างกายขันใบนี้เอาใส่ของเรี่องร่างของจิตใจใบไหนจะเต็มก่อนกันคุณศิษย์ you have two bowl one bowl is food for your body one is the food for your mind which one you you you put more อ๋อทำโลจินทำใจเราวันนี้เราได้ทำหรือยังอาหารใจอ่ะ as yourself if you any feed your อาหารกายเลี่ยงกี่ข้างแล้ววันนี้แจงกี่ข้างแล้วมีผมแตงหน้ากี่ข้างแล้ว how many how many times for uh, today how many times you take care your body อาหารใจไม่ได้ซื้อแต่ไม่ได้เรี่ยงเลยวันนี้ how about the food for your mind have you ever feed them today you feed it today อาหารใจทางไปสวรรค์ถ้าเห็นใจก็เห็นสอบถางไปสวรรค์นี่เราไม่ดูใจ ตาเนี่ยตาเน่าลเห็นแต่ล่ำรวยกับสวยงามไม่เห็นมองเห็นใจนะตาตัวนี้ใครใครมีตาทุกคนมองเห็นใจัหม You forget to look after your mind to, to give food for your mind your uh, your eye your physical eye usually see only the e evil thing พราพุทเจ้าหายใจหา6ปีมาหาอะไรหามาสอนคนเราเป็นคนไหนทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหลอดบูดาเอ่อ meditation for six year until enlightenment and Teach everyone to follow him. So it's six long years, it's not only one or two days. i t s n o t only one o r t w o d a y s h e s t a y e i t in his castle, but it's quite a busy life. It's not what he's looking for, so he, he left the castle and uh, tried to find the truth of uh, the life. ไม่ได้มองอะไรล่ะทั้งๆที่หาแต่ใจอย่างเดียวทําไมไม่เจอหรอก We try to look into his own mind and try to find a way to end the suffering เพราะยังไม่มีสัจจะเรื่องไม่เจอที่จะเจอก็คือสัจจะ So you have to have the truth to yourself ตจ้าสัจจะตั้งสัจจะเอาไว้นะตั้งแต่นี้ต่อไปต้องให้ดูทุกวันวันละหนึ่งนาที You have to give the word to yourself, and have true to, to yourself, that you're gonna do meditation every single day, every day. You You want you to look after your mind, to train your mind, develop your mind by doing meditation one minute a day, every single day. s o m e d i t a t i o n i s a o d o t o meditation, best way to make merit that lead you to the heaven บาพาไปไหนพาไปไปเกิดพาไปภูมิทั้งสี่เปตอาตุรกายสัตวิดรฉันคนคนค น, คนพิกคนพิ ก, การคนทุกคนยากคนหมดห <c oughs> นันหวคนตาบอดคนขาแผลหลังติดกันขาติดกันอะไรติดกันจิตสะติดกันก็มี so if, if you not do enough meditation not make good merit you may born to u uh, the worst place Or for example the hunky clothes uh, born with disability ภูมิของคนนี่มันยากนะถ้าจังกวเเราตันท่านนี่แนะว่ามนุษย์เท่านั้นเนี่ยมันเกินคนมาแล้วติดโฉมนุษย์สาวตีลาโพติดฉังพุทธสมุปตะดังติดฉังสัตถมัตตวันังติดฉังนั่น สุภาษิตาพุศาสนาเราได้ฟังด้วยได้ปฏิบัติด้วย so you were born as a perfect human this is good already this perfect already but you have to keep doing goodness doing merit ถ้าผดได้ฟังนะเข้าใจนะถึงจะได้ปฏิบัติถ้าไม่ฟังไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรคือนั่งดูลมเข้าลมออกวันหนึ่งหนึ่งนาที he want you to do meditation by observing your breath breathing in breathing out uh, one minute นั่นแหละเราดูบ่อยๆเราดูบ่อยๆถ้าเราดูทุกวันดูทุกวันดูทุกวันเวลาเสียชีวิตล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาจะคอยถาม So when you doing every day every day and then when you pass away um ah uh, the, the, the gatekeeper ก็จะ asking you คุณตั้งใจว่าจะไปดูบุญดูใจคุณเคยดูไหมน่นเจ้ากรรมนายเวรเขาถามนะก่อนที่เราจะผ่านประตู พยาจมพยาบาลไปเขาเป็นคอยดัก ถ, า, ถามจุดนี้แหละเจ้ากรรมนายเวรนั่นคุณเคยดูไหมทางไปสวรรค์ไปทางไหนทางไปนรกไปทางไหนถ้าถามว่าไม่เคยไปทางไปสวรรค์เอาอะไรตอบเขา if, uh, when you pass away you may go to the the, the gatekeeper that will lead you to heaven or hell that that gatekeeper will ask you have you never done meditation have you never look after your mind if you ever train your mind You ready to go to heaven? What you gonna tell them if you never done it? I have no answer. He s a i "You come from where? From hell? If you if you've never done meditation, you don't know the way to heaven. They may take you to hell. You, you cannot argue with them because you never done." เ care อยู่ไ before เือของคนเสียงดังวิ่งหนีอะไังมีก็ไปจ้างหนีก็ได้แทนที่จะคุกเอาเงินไปจ้างเอา because you, when you pass a y o u have your body you cannot escape แต่ที่นีมีแต่ใจนเอาอะไรไปจ้างสิ so your mind you, you have all your own mind you have money so you cannot b รรมวตติโลกโสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่ต้องเชื่อจุดนี้นะ whatever you do is is is g o n be whatever action u a get t e r e s u ทำตัวนี้จะพาไปถ้าเคยเห็นบุญก็มัต้องไปถามเราั้งเคยทาทุกวันดูศตกทางไปสวรรค์ทุกวันนั่นเห็นไหมละ่ะเถียงเจ้ากรรมในเวทเถียงก็ยังไ่บันไปทางไหนไปสวรรค์ไปทางโน้น i you t e l h e m that you done meditation every day you see the way to heaven I train I train my mind already I'm ready <c oughs> they re gonna take you to the heaven ังดูสิใจเป็นนายกายเป็นบาว So, uh, your mind is the boss, and uh, your your physical body is just do whatever the mind tell you. ้ o ะ t v e a good mind, the peaceful mind will tell you, tell your body to do a good thing. That's it. Just j ้ m p You can do it for one m i n u t You can do it, meditation every day. d o n t i a h n e a said, if you are not doing, if you r e not do one minute a day, you should not eat. e a i f you e not doing, if you not do e minute a day, you should not eat. He a you a e n t o n g y o r not do e minute a d y you h l d e a e s <laughs> i you n t o n g o e t do e i t d y o u h l d e t s i you r e o n you r e e minute y you l n f not d o i you a e t do i t e y o u s l t h a o t d o i t t a s t He w a y you c a n k i l l d e s i r e i n you r do n m i n d ค่าคนค่าอย่างอื่นบาปหมดแต่ค่ากิเลสค่าไม่บาป so to kill your desire to kill your craving is is goodness mm. it's not sinful จะ้จักกิเลสนั่นแะ you know the desire you know mm. the craving ความท่ากี่วความว่าทำไม่ได้ดูไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้นั่นตัวกิเลส so the laziness the the the thing that tell you not to do that is the d e f i n e t this uh, craving ปัญญาว่าไงดาบคือปัญญาฆ่ากิเลสคือยังไงสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำไมจะทำไม่ได้ดูลมเราอยู่กับลมทำไมดูไม่ได้ถ้าไม่มีลมใจไปแล้ว so you should observing your your breath because you have your breath all the time if you not if you don't have breathing you gonna die right ความสุขมันอยู่ที่นี่นะความสุขมันอยู่ที่ลมไม่ใช่ความสุขอยู่ร่ำรวยสวยงามหรอกความร่ำรวยสวยงามเป็นนรก you forget o you observe your, your, your breath so your, your, your breath can lead you to the happiness because you concentrate your mind เดี๋ยวจะไปทะรลกไปดูถ้าหากว่าลำรวยแล้วกัวคนมาก้นกับคนมายืมกับคนมาขโมยกัวคนมาหลอกลวงเขามายืมแล้วไม่เอามาส่งคืนให้ถามสองขั้งถามสิทศามก็ปืนไปแล้วจะให้หรือไม่ให้ที่ยืมมาให้หรือไม่ให้ He s a y o he can give you example of i v i l t h i n g of uh, uh, <coughs> wealthy when you wealthy you have money and you you you lend it to somebody and they not return money back to you you right. tell them one time two time s they d o n t come back they not give you the money on uh, the third time you go with the gun. You think that's a happy life? เตรียมตัวจะมาแต่งงานฉันรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นสื้ออะไรซสื้ออะไรเปเช่าโรงแรมเช่าอะไรตกไม่รู้หมดไปกี่ล้านแล้วผู้ชายไ็นรู้รบนี้ไปไหนแล้วข o แบบเดิมบ u t บ i ว y ิวบิวบิ be when you บิวบิว y ิวบิ t บ a วบ o วบิวบิวบิวบิวบิวบิวบิวบ a วบิวบิวบิวบิวบิวบิวบิ m a r r บิวบิวบ a วบิ he is he pretend that he have money but he วบิวบิว He t r d to give you the to to give you the big ceremony, but then he not pay for it. Another case, when they married, they, they use a n o t h e are love, w a e n t ยงา hết tin tin da, h i y cả l s e n lên lác, m o n e y t h e y g c à e h 2 t h o t h e r t h e c x h e t n h i v e r i n g b u t a u t e r two or u h r e e months, they broke u p vui v i i i u i v i v i u u <c oughs> นั่นแหละคำว่าร่ำรวยกับสวยงามเป็นอารมของโลกอาโลกียะสุขนะโลกีลกยะสุกสุกทางโลกมันไม่แน่นอนเอาที่สวรร์สวรรษในอกสวรรษเป็นยังไงดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกดูเมื่อกี้นี่เป็นสวรรษไหม he said wealthy and beauty is is is a kind of happiness but it's not true happiness because it's not permanent ไม่มีใครมาห่วงว่าจะเขาจะมาขโมยรมของเรา มันมีใครมาจีงบอกยีงปันไม่ได้ซื้อกันไม่ได้ขายกันไม่ได้ but to, but to observe your breath to calm your mind have to make your mind peaceful t h a t is the true happiness because it stay with you forever นี่แหละเป็นความสำคัญมันไม่ได้ซื้อหลวงปู่จึงบอกถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอก because this is use no money it's free so you can tell you to do it คิดดูดินะเาคิดดูถ้าไม่ทำเราเราจะไม่จะทางไปไหมต่สวรรค์นะ you don't need to spend money it's free พระเจ้าสอนคนเป็นให้ทําให้ดูให้รู้ให้เห็นสอนคนเป็นให้ดูให้รู้ให้เห็นถ้าดูก็เห็นก็ลูกมันมาที่นี่ถามาหลวงปู่ก็ไม่ต้องถามใครแล้วตลอดบุษทธิ์ Teach Teach you to do meditation you will prepare yourself สวรรค์เหมือนกันแหะถ้าเราดูเราก็เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจไม่ได้ไปหอก ห, หาหรอกสวรรค์หอกหาที่ใจนี่ He says ail, uh, in, in heaven is in your heart it's not anywhere it's in your heart เัาไม่เห็นสวรรค์เพราะนรกตันไว้ So you not see heaven because the the the, the bad thing tell s you to, your mind tell you to do the bad thing. The world will blind us away. Got it? We have to train your mind. World is, the world, this is the world. World, this is a d this World is, is covered with the darkness. Is clouded with the desire and craving. ใจบอแต่ตานี่ตาบางอยู่แต่ตาในี่ตานารกเห็นแต่ร่มรวยกับสวยงามไม่เห็นแต่วันที่าน Because your eye can see all the craving thing you want more money you want more beauty but it's not permanent เข้าใจไหมเร็เลยตั้งเกี่ไม่มีอะไรมาให้ผัมาให้ไม่ใช่พัดมาเอา He said he come here not to take anything he come here to give you the The the Lord Buddha teaching uh, the the way of goodness. t h e y tam tan? t s is a i s t e w h r n g s o t e o k e a i d the the offering the flower is not quite way right way to pay respect <laughs> to the monk. So it's not good to cut them. <laughs> so have y o e v e ask the, the, the monk what is the uh, eight precept? What is the number eight? บาไงหรอกสินก็แปดไม่รู้เลยมาลากันธรรยเลปานัทธลระณะมันดาณาพุทธะธานาเวระมณีข้อเก้าสินทั้งหมดไม่ใช่แปดข้อนะจรงจริงมันสินข้อเก้านะนัตติีตวากับมาลาเอามารวมกันเป็นสองข้อข้อที่แปดถ้าเราไม่ได้ตัดจะขาดเราไม่ได้ตัดเองก็ว่ามื่อไหร่ก็เขาตัดมา ในเมืองไทยเอาไปใส่แก้กันได้ถ้ามื่นข้างเอาไปวัดท่านที่จะออกฆ่าดอกไม้ไปถวายค่าไฟฝ้าจะดีกว่าวข่าน้ำพัดสมองนี่ดอกไม้ทำอะไรไ้กินจาา้าบ้าฮนะวัเ <c oughs> ดีสอนให้เอาหนี่ไปบูชาใส่กาบงามขนมให้เป็นดอกกวัวงหนึ่งกู่งสองกุ้งสมกุ้งสี่กุ้ห้ากอไมห้าก ถือไปแล้วเวลากลับถือกลับความล็อกลงลังห้องพระหิ้งพระเต็มไปหมด <c oughs> เอาใส่แกกันน้าไปใส่ยุงไข่ใส่ไปต่อคนในบุญเลย่องอบาง <c oughs> มันยุงเยอะประไหนประเทศไทยอะ <c oughs> เอาใส่สองสามมือเหมน็นกุ้งกัมาก <c oughs> ยุงไปไข่ใส่ในหน้ามีตรสัตว์พระปเทศบ่ได้เด้ทำโรงแรมเราไม่มาทาอะไร กระดาปราเพื่สวยงามจ้าค้าเกิดแล้วใช่ไหมอาจารย์เราไม่สวยเกิดก็พราะอยากล่ำรวยอยากสวยงามน่นตเกิดหอกนั่นนั่นเป็นเจเลถ้าเอาธรรมะมาแปลนะสมมเจ้าสอนในคนปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้มาเกิดได้มาเกิดได้เกิดตรงหนกลาบอิมินาตาารเล่นะแต่ก็นั่งดูลมหายใจเขาออกเกิดตรงไหนนั่นไปวัาไปวัดทาบุญถ้าไม่ไปอย่างนั้นไปทาบาปไม่ดีผลของใบพัดยุ่ ใช่ไหมเอาไเจ็บลงไมัแน่นเถึงใสกล่เหมือนนลตงมากัดเอาไปตันทอนหลวงพอ่อวัดน้ำทวมมาเตียไทยตัวหน่อยแต่แน่หลวงพ่อวะอ๋ออันนี้โบเมนค่ะเพิ่นเอามาให้เพื่อเสีย ม, มาิดสเปต ะ, ะนึ่ก็เอามาให้สให้แฟนค่ะอันนี้มูโบเมนงจากมเ<ช>พิ่นเอามาให้บมูไก่ก็จาวงจาซา้าหักแต่นับไปก็จจะเอาไป เน้นเป็นสายเหตุเลยหลงปู่เลยเหตกแต่วมีอันีนึ่งหลงปู่ก็ตีเด็ทกว่าแม่นค่ะเรือค่ะเที่ยวทั้งเันหองหลายมันติดคำเที่ยวทั้งวันหึงหลายมันติดคาเมื่อตะพัวบอกว่ามันติดสารคำท่างมันติดสารอย่างตรงไปเลยมาเต้นให้ตรงไปเลยอยากอากมากไปให้มากใจฟังคืออกสารใช้แปลยองฟังเหรอที่เสติเพ พอจะดูดีสวยนั่งคนตรงมากับแคปเดียวก็ถึงวัดเดี๋ยวันไปหาไม้ทบวัไปถึงวัดกดีวนหลวงพ่อให้นยแจงกันดอกไม้หลวงพ่อดอกไม้ไว้ไหนเาไปีในห้องพเยอกา่ถพระพุทธเจ้าือแต่ดอกไมู้ไปถาม น้มก็เดียวมาพวนี่พนี้มาแตงเป็นมือกุนบงแหงอ่ะประดับดอกนั้นดอกนี่ประดับดอกนั้นดอกนี่นี่มันไปมามันนอมใจไปทังสวยงามเหมือนบสวยงามเมือกับเป็นบ้านก็ตอเสียร่าเลเี๋ยวทังเลยมออนรต้กว่าบนอีกองหนึ่งไปหอนใสแล้วบุ๊บจะของเงี้ยมวย ว่าจงวนนัดโมกับพวกเรายังตัวพรุ Pray Pray ่งนี้ไปวัดนะบันจินบันพชาสมบุรด้วยกันเออมารับหน่อยพรุ่งนี้ไปวาดแล้วไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรมาจับไม้ถูกเตีนแจงหน้าแจงตาแจงอย่งมันจะได้เวลาใสบาตแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็ว่าเมื่อตะกัวบกว่ามันจะสาของฟ้าแบบไหนแน่วุ่ ไปมาเรื่องหัดติ๊บเข่าสักยังไกตัวอยากให้เข้าใจไม่มีอย่างอื่นหรอกใช่ใส่ให้ให้ทําเป็นท่านมีอนิสง์ยิ่งกวัวให้สิ่งตั้งพวงไม่ใช่ว่าให้ก็ต้องขนมเนี่ยให้ทํำอย่างไหนให้ลงมือปฏิบัติทําให้ทําบุญให้ทําบุญให้ทําบุญคืออะไรดูลมให้ดูลมก็ออกนะบุญอยู่ที่ลมถ้าไม่มีลม ไปลใจอยู่ไม่ได้มีแต่ของผุของเราค่อยแต่เฝาถิ่มติมเหรือนี่เห็้สมบัานน้ำพักหาปัญหาตัอะไรมากเืองมัถึงตัวหนแต่งผมแต่งเล็บแต่งันแต่งหนังเล็บมือก็ตอไม้สมัอคนตากระตอไม่เพราเขาคนตานผีมาตอพุก็เยน้นงองวอ้ก็แม่นู้เขาเอาคตัมาเห็ด <laughs> ตุ๊กมือตุ๊กมือร้านนั่นร้านสวยๆผ้าลุงปู่ไปหันไปีหเดิแจ้งตขาแต้งดีฟรีเลยเสียเขาตาบวมถูกน้องเลี้ยมมาแจ้งลุงปู่โอ๊ยมาขอลุงปู่เขาจะฟ้องมาลองเลยฉันเสียหายเมื่อที่เขามาฟ้องมาลองแล้วจะเสียเงินเสียชื่อเสียงของร้านเขาคนนี้ ว่าร้านนี่ทำไม่ดีทำให้ฉันตาบวมอย่างนู้นอย่างนี้วางไปรู้ปะเดี๋ยวีเข็ดเดียไปหุงจัดใส่ัวตีนเปรี้ยนตัวมันเสียหายจนแบบเขาบอวกูเสีหากูแก่ไม่ตายเขาแต่เขาเรื่องเอาเล่าเรื่อลุงกูเางั้นท่ในที่เป็นเอาเรื่องเอาล่านี่ที่ีปัญหาหลายแต่ที่ได้ก็บ้า่ายย่งแบบว่าแต่เนาะเขาเอาเงินไปเขาตัดแล้วมันเกิด อื <c oughs> ไม่เป็นจสบายใจยนะอุทิศไปแล้วหลงปู่ ม, มาพาทําแล้วสีตะวินดานอยู่ที่ไหนรู่หมดนั่นแหละ่ะ <c oughs> คอยบุญกุศลจากญาติพี่น้องมีญาตกกิพอดีไม่มีญาติพอดีแต่เพราะฉะนั้นจึงยําให้พากันทําบุญเหมือนอย่างทางโลกเราคิดถึงพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านเราจากส่งของไปให้เราต้องมีของน่ะถ้าเรามีเราก็ส่งไปให้ได้ถ้าไม่มีเอาอะไรส่งไปล่ะ นี่ก็เหมือนกันแหละโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจต้องอาศัยญาติพี่น้องมีบุญแต่ญาติพี่น้องยังไม่ีบุญก็ถอยพระสงฆ์มาเพิ่มเขาไปอีกเพราะพระสงฆ์ท่านอยู่ด้วยกันทําบุญเพรท่านพิธีกรรมลมหายใจจากไป น, น, าานี่มันพระสงฆ์มาชดกติกาของตกุลนี่มันพระสงฆักของสกุล น, น่นก็ซักบัตรบุญก็แผ่ชวนบุญคุณลุงที่ท่านทําอยู่นั่นแผ่ให้แผ่ให้ญาติพี่น้องมี ยศศิพี่นองก็ดีจิตตะมีลานทั้งหลทั้งพวกไม่มีญศศิพี่นองก็ดีดอดคอยรับบุญกุศลจากยศศิพี่นองที่ในประเทศไทยอะสปอยู่บ้านปูปั้นนายใหม่แล้ไม่อยู่ที่สุดวกสบายเป็นอห่างนู่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาศัยพระสงฆ์พาทําบุญบ้านซึ่งบ้านใหม่พระสงฆ์พระภัทรท่สบุญกุศลในเจ้ากรรมนเวทเพราะสถานที่ใดต้องมีโรงศพหอ้องศพกองศพหมดหลุมศพหมดแล้วเกิดไปจะคว้าตัวเราใน เยือกตรงไห น, นเจอกระดูของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในสถานที่ที่เราปลูกบ้านปลูกซ่องมันต้องมีอะไรดู่อยู่ตรงนั้นเพราะท่านเป็นอมบรานประเทศไทยจึงพากันทําขึ้นบ้านใหม่พาขึ้นบ้านใหม่อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าปูนเจ้าอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปถึงจะไม่มีเราก็ทําเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเรานะ <c oughs> ถ้ามีแล้วก็ยิ่ง ดีเราโอทิศให้เขาก็ไปดีทั้งสุขเลยคอบุญกุศลก็จิตจตะวินจันก็เหมือนทางโลกของเราติดคุกถึงตารางคอยยัดติดขึน้องมาประกันถ้าติดหนักก็ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะถ้าอีกนิดหน่อยก็ไม่ต้อใดก็ต้องประกันก็เหมือนทางจิตาะวินจาณที่ ล, ล่วรงรับกับฝันไปถ้ากรรมในเวรถ้ากรรมน้อยก็ไปอะไรถ้ากรรมมากเราก็ไปไม่ได้ก็อยู่นั่นให้หลายปีหลายโคกหลายชาติอยู่นั่นเลยสองอาศัยภูมมีบุญกุศลถูกติน รู้ิอุทิศส่วนบุญกุศลจะให้หมันตัดปล่อยไปเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจเี่พวกเราได้กำลิผู้ที่ห่วงหน้าห่วงหลังว่าหัวผู้ล้มหายตายจากไปมีจิตามีตาไปคล่อง่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงจิตใจแล้วให้ทำงงกุงามก็ดีถ้าห่วงก็ทำงงกุา ง, กำ ง, งาคน็ดีนั่งสมาธิเพราะห น, น้าแพ้ตาให้ไม่เป็นนาหรอกเรื่องทำงาจบุญกุศลกุศลจะจบดุลันดาราจารู้หลวง่อมา บานมาช่องเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลในญาติที่น่องสามีภรรยาลูกไม้ตจาคอยก็ดีตลอดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังังไหวไทยเกิดอยู่รับทราบด้วยวนวิถีมูตนาบุญที่เราพูดไปแล้วนั่นแหละแล้วตงมีแต่ความสุขความเจริญสาธสาธุสาธุสุสาาสสสา นาสงฆมเหสุปติทิตาธรตาหิายสา่านโสปกะติโตยาิธมโมจายังนิดาสิตโตเาูชาจะกตอุลาลาบานตพิภมนุปลินาโทมเฮหิภุญยังปัสสตังนปะกันเต สังฆาลราคันสาวเวัตาสัพมุทานุภาเวนาสดาโสติภวันตุเตาวตุสัพพังฆาลราคันตสเดวัตาสัพปธมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตอาวตุสัมพังฆาล ตูสะวเนวตาสะปาสังคาลุภาเวนะสะนาส